ช่วงที่ธานทั้งสี่มารวมกันก็เกิดการเจริญเติบโตขึ้นไปร่างกายก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนถึงขั้นเต็มที่ของร่างกายโตเต็มที่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญจะโตขึ้นไปมากกว่า น, นั้นได้พอมันไม่สามารถที่เติบโตไปก่อนนั้นได้ มันก็จะเริ่ม เ, เสื่อมลงเริ่มมีการแตกออกกันแยกออกจากกันที่ละเล็กที่ละน้อยพอ ร, ร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ความเสื่อมความถดถอยธาตุที่เข้ามารวมกันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป ท่าที่จะออกไปมากขึ้นกว่าทตาที่เข้ามานา่งกายก็จะเริ่มช้ำลดสุดทซมเริ่มแก่ลงเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ต้องหยุดทางานเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วคือท่าทั้งสี่ที่มารวมกัน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 เวลาที่คนตายนี่ถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆใหม่ๆร่างกายก็จะเย็นขึ้นมาธาตุไฟไปแล้วธาตุลมก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นกลิ่นออกมาธาตุน้ำก็จะไหลออกมาตามทวาวรตา่างๆคนตายบางทีเขาต้องเอาสำลีไปอุดจมูก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 พวกเราพวเราอยู่ที่ทารู้อยู่ที่ใจพวกเราไม่ได้ดับไปกับร่างกายที่เป็นธาตุสีดินน้ำาลงไปพอร่างกายเขาหมดสภาพธาตุสีแยกตัวออกจากกันทารู้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปตามกฎแห่งกรรม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 นี่เป็นที่ไปของไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุลกายบ้างไปเป็นนรกบ้างก็อยู่กับเหตุที่ทำให้ทำบาปถ้าทำบาปด้วยความโง่เข่าเบาปรราัญญาไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปเพราะคิดว่าไม่บาปคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการ เอาเอ า, เอาตัวให้รอดเช่นคนที่ยิงนกตกปลามาทำเป็นอาหารเพราะไม่มีเงินทองไปซื้อกับข้าวกับปลาในตลาดก็คิดว่าไม่บาปคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติก็จะเป็นเหมือนพวกเดลาชานพวกเดลาชานเขาก็เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาน้อยถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานตายไปก็ไปเป็นนกเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายแล้วแต่ว่าเราไปเราไปฆ่าสัตว์ชนิดไหนก็จะไปเป็นสัตว์ชนิดนั้น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 แต่ถ้าฆ่าเพื่อความโลภเพื่อความร่ำรวยก็ค่าเป็นร้อยเป็นพันงินถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความโลภทำบาปด้วยความโลภอาจจะไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้อาจจะชอบโกง ล, ลักทรัพย์โกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินเยอะๆอันนี้ก็จะไปเป็นเปรตกันแล้วถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาลด้วยความกลัว กลัวว่าจะเขาจะมาทำร้ายเราเช่นกลัวยุงก็ฆ่ า, ายุงเสียกลัวมดมันจะมากัดเราก็ฆ่ามดกันนี่ถ้าฆ่าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายหรือผีแล้วก็ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท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 ส่วนพวกที่ไม่ทําบาปแล้วก็ทําบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญทําทานมีเงนินมีทองก็ไปทําประโยชน์ไปช่วยคนอื่นเช่นไปปล่อยนกปล่อยกระปล่อยปลาซื้ออาหารใส่บาตรซื้อข้าวซื้อของต่างๆให้กับวัดให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลให้กับ สาธารณกุศลต่างๆทำประโยชน์ทำความสุขให้กับผู้ น, นี้เวลาตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพวกที่อยู่วัดจำศีลถือศีลแปดนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ตายไปก็ไปเป็นพรหม เกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วพวกที่ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้ารับตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ละกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ตายไปก็จะไปสวรรค์ของพระอริยเจ้าไปแบบไม่กลับมากลับมาก็กลับมาไม่นาน เป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าพระสกิดาคามีก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะกลับมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตต่อไปไม่เกิดมาเป็นเทวดาวก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วพอเป็นพาาระอรหันต์ขั้นที่สก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน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 หลังจากที่ไปใช้บุญใช้บาปกันแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็มาทําตามความอยากกันใหม่มาดูมาฟังมาดิมรส ด, ดมกลิ่นมาสัมผัสกับความร้อนความเย็นกันใหม่เพราะมันเป็นความสุขของพวกเราพวกเราชอบของพวกนี้กันชอบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะระกัน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 ที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จ, จึงทําให้เราต้องมามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดราาัจฉานเพื่อเราจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสกันนี่คือเรื่องของร่างกายและจิตใจของพวกเราที่เป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนฝาแฝดเราเป็นเหมือนฝาแฝด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 อย่างนี้ไม่ทาบาปก็ไม่มีผลไม่มีโทษบางคนก็ไปหาเงินด้วยการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่าโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองพวกนี้ก็เป็นพวกทาบาปหาเงินด้วยการทาบาปเพื่อจะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่ทำบาปหาเงินด้วยการทำบาป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 พวกเราไปอยู่สามที่นี่แหละไปอบายบ้างไปสวรรค์บ้างมาเป็นมนุษย์บ้างสลับกันไปสลับกันมาจนกว่าเราจะมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังว่าการที่เรามาเกิดกันแล้วเราก็มาตายจากกาันอยู่เรื่อยๆนี้เพราะว่าเราเกิดจากความอยากของพวกเราเกิดจากความโลภความโกรธความลง เกิจากความอยากหาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากกันวิธีหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปอยู่วัดไปถือศีล8ถือศีล8อยู่วัดหรือไปบวชถือศีล227ศีล311ข้ออันนี้ศีลจะเป็นตัวห้ามไม่ให้เรา ใช้ร่างกายไปทำตามความอยากต่างๆอยากจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้อยากจะไปเที่ยวตามบาตรามผับก็ไปไม่ได้ให้ใช้ศีลนี้เป็นตัวกั้นไม่ให้ละใจของเราไปทำตามความอยากแล้วก็ให้ใช้สติมาหยุดความคิดความอยากเพราะความอยากเกิดจากความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็จะต้องหยุดไป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 วความสุขที่เราได้จากความอยากมันสุขเดี๋ยวเดียวได้กินกาแฟ à, ได้ดื่มกาแฟ à, ปั๊บก็สุขเดี๋ยวไม่นานก็อยากจะดื่มขึ้นมาใหม่ความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะดื่มกาแฟก็เกิดขึน้นมาใหม่ส่วนการที่เราไม่ทําตามความอยากหยุดห ย, ย, ยุดความอยา ก, กดื่มกาแฟได้เราก็จะสบายไม่เดือดร้อนมีกาแฟ à, หรือไม่มีกาแฟ à, เราก็ไม่เดือดร้อน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 ได้อะไรมามากน้อยเท่าไร่ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไปดูอะไรมาปั๊บกลับมามันก็หายไปหมดไปฟังอะไรพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดได้อะไรมาเท่าไรเดี๋ยวก็หายไปหมดแล้วปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวด้ททำให้เราอยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากได้มันก็จะ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 มาเศร้าโศกเสียใจและขณะที่เราพัดผ้าจากกันถ้าเรามีความรู้จากพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครตายไม่ผู้ที่ผู้ที่เราคิดว่าตายเขาไม่ได้ตายสิ่งที่ตายนั่นเป็นเพียงคนรับใช้ผู้รับใช้ที่ไม่รู้อีโนเอเน่ ine, ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นเหมือนรถยนต์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 ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยเราไปฟันมันมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกฟันร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นผู้ที่ข่อบคองร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายให้ครอกร อ, องก็ไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปหรือของธรรมที่ได้ปฏิบัติก็มีเท่านี้คือเรื่องราวของชีวิตของพวกเรา ยังไม่มีอะไรที่จะตั้งมาร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันถ้าเราจะร้องหม่มร้องไห้ก็ขอให้เราร้องหม่มร้องไห้กับการทำบาปของเราดีกก่าว่ า, วาโอยเสียใจเลือกเกินที่เราไปทำบาปกันตอนนี้เรารีบมาทำบุญกันให้มากๆดีกว่าเพื่อที่เวลาเราตายไปบุญของเรามีมากกว่าบาปเวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปก่อนให้เราไปรับผลบุญก่อน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 ถ้าจะเศร้าโศกเสียใจก็ให้เสียใจกับความโง่เขาของเราที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าที่ไม่เชื่อว่ามีบาปไม่เชื่อว่าการทําบาปจะพาให้เราไปเกิดในอบายกันให้เสียใจอย่างนี้กว่าเพื่อที่เราจะได้หยุดการทําบาป ก, กันแล้วรีบมาทําบุญกันให้มากๆทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญากันด้วยการฟังเทศฟังธรรมกัน ถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเราตายไปบุญของเราจะมีมากกว่าบาปจะทำให้เราไม่ต้องไปใช้บาปกันถ้ามีบุญขั้นสูงสุดแบบองคุลิมานตัดความอยากต่างๆได้หมดก็ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปชีวิตของพวกเราตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้เรายังแก้ได้ถ้าเราเคยทาบาปมาตอนนี้เราเลิกทากัน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 ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไม่ให้ประมาทกันให้มันพิจารณาอยู่นเนืองๆว่า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 เราก็เลยจะหลงคิดว่าเราจะอยู่กับร่างกายนี้ไปเรื่อยๆจะอยู่กับร่างกายของคนนั่นคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเกิดเขาจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเรามีธรรมะคอยเตือนใจสอนใจเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดผาจากกันจากร่างกายของเราไปจากร่างกายของคนอื่นไป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 ถ้าเราไม่ยึดติดปล่อยวางร่างกายได้ใจของเราจะสบายร่างกายเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อ น, ร, ร, อ ร, อนร่างกายตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นขอให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆ อ, อย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมีการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าถามพระอนุน์ว่าอนุ์เธอพิจารณาถึงความตายวรรกิจค้างกัน นวลก็บอกว่าวันละสีหครั้งเช้ากลางวันบา่ายเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกน้อยไปเธอยังประมาทอยู่ยังไม่พอที่จะระ ง, งับความกลัวระ ง, งับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจได้ถ้าอยากจะระ ง, งับความกลัวความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเธอต้องระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออก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 เราจะดีใจเออหมดขี้เกียจหายใจเว้ยหายมาต้องลนานแเหนื่อยหยุดหายใจได้ก็สบายเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเราไปแบกร่างกายไว้ทำไมร่างกายนี้เหมือนภูเขาที่เราต้องแบกกันอยู่ทุกวันนี้พอไม่มีร่างกายแล้วสบายกว่าเบากว่าใจเบาใจสบายมีคำถามเข้ามายัางมีครับอาจารย์ว่ามาเลย ถ้เาเป็นคำถามเกี่ยวในหลวงถามดีไหมครับเพราะใจก็เท่ไปหมดแล้วก็ถามได้แต่จะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เอาเป็นคำถามปฏิบัติก่อนนะครับคำถามเจ้าคุณอาร์ตนะครับการกินข้าวการเดินการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงการพลิกตัวไปมาขยับตัวหยิบน้ำมาดื่ม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 ชีวิตของผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเช่น อ, ออกกำลังกายจ็อกกิ้งวิ่งไปวิ่งมาเพื่อรักษาให้ร่างกายแข็งแรงใ ห, สให้สุขภาพสมบูรณ์โครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอันนี้ใจเป็นคนสั่งให้ทำเทานั้นะถึงจะร่างกายถึงจะทำได้พอไม่มีใจแล้วร่างกายก็หยุดทำทุกอย่างดูคนตายนะคนตายนี้ไม่มีใจแล้ว คำถามจะคุณบีและคุณมาดามนะครับเวลานี้คนไทยเศร้าเหลือเกินแนมะ้แต่ข้าพเจ้าที่นั่งภาวนาทุกวันก็ยังร้องไห้เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอันิจังแต่ยังเสียใจข้าพเจ้ายังฝึกจิตไม่ดีใช่ไหมครับพระอาจารย์แนะนำด้วยคะ่ะใช่สติเรายังไม่สามารถระงับอารมณ์เศร้าที่ปรากฏขึ้นมาได้เราต้องฝึกสติให้มากขึ้น ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธตอนนี้เศร้าลองไปบริกรรมพุโทโธสัก10นาทีเดี๋ยวก็หายเศร้าเรานั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปสักสนาที15นาทีเดี๋ยวความเศร้าก็จะหายไปแต่พอเรากลับมาคิดถึงเหตุการณ์อีกความเศร้าก็จะกลับมาอีกถ้าเราอยากจะไม่ให้ความเศร้ากลับมาเวลาที่เรามาคิดถึงเหตุการณ์เราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าความตายเป็นเรื่อง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 ท่านเป็นอนาคตเราเป็นอนาคตของท่านท่านเป็นอดีตของเราเข้าใจไหตอนนี้เราเป็นอดีตของคนตายแล้วคนตายก็เป็นอนาคตของเราต่อไปเราก็จะเป็นเขาเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราให้ค so ิดอย่างนี ismus, dijo, ้ว่าร่างกายทุกคนเป็นอย่างนี้แต่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจพอเตรียมตัวเตรียมใจไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายมันก็ไม่ทุกข์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 เขาเรียกว่าสูตรามยอมยอมหยุดเย็นยอมรับความจริงหยุดต่อต้านความจริงแล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายคำถามจากคุณนรัญญาถ้าใจปริสุดไม่เบียดเบียนและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือทุกข์ใจอันนี้คือบุญใช่ไหมคะก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการไม่ทบํบาป <phon. S 1> บุญที่เกิดจากการรักษาศีล ก็เป็นบุญเพราะทำให้ใจเรามีความสุขเวลาทำบาปใจจะไม่สุขใจจะทุกข์คนที่ไม่ทำบาปกับคนที่ทำบาสนี่ใจจะไม่เหมือนกันคนที่ไม่ทำบาปคนที่รักษาศีลนี่ใจจะเย็นสบายไม่วิตกกังวลกับบาปที่ทำไว้คนที่ทำบาปทำแล้วใจวุ่นวายใจไม่สงบใจกังวลแล้วเวลาไปใช้ผลไปรับผลบาปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่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 ่าพระนาินท่านก็ยังยัยงสติยังมีไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสติหรือว่าเป็นเพราะเป็นเรื่องของความผูกพันความผูกพันอาจจะร้องไห้แบบไม่ได้รันทดใจก็ได้ร้องไห้ด้วยความเสียดายแต่ไม่ได้ร้องไห้แบบทุกทรมานใจคือการร้องไห้แบบที่เห็นคนดีจากเราไป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 ผู้ที่ดวงจิตไปเห็นเวทนานั้นไม่ใช่เราสักแต่รู้เช่นนี้ดวงจิตนี้ตกกระแ ส, สโสดาบันใช่หรือไม่ครับและถ้าใช่เช่นนี้เป็นโสดาปฏิมัติหรือโสดาปฏิผลครับถ้าปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางความตายได้ก็เป็นโสดาปฏิผลถ้ายังปล่อยไม่ได้ยังทุกอยู่กับความเจ็บทุกอยู่กับความตายก็ยัง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 แล้วต่อไปก็อาจจะทำให้ไม่ซื่อสัตย์ด้วยการไปมีแฟนใหม่ต่อไปก่อนที่จะไปมีแฟนใหม่ก็เลิกแฟนเก่าก่อนดีกว่าบอกตอนนี้เราเข้ากันเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะตอนนี้เราเกิดมีปิ๊งก่คนนึงใช่แล้วเขาจะได้ทาใจได้เขาจะได้ไม่เสียใจคำถามจากคุณพัชรา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 คำถามจะคุณคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่งลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ขอแนวทางการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ ะ, ะก็ถือศีลให้ให้สะอาดรักษาศีลไปรักษาศีลแปดไปให้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆจเจริญสติให้มีพุทโธตลอดเวลาอยู่ภายในใจตั้งแต่ตื่นจนหลับ แล้วเวลามีเวลาว่างก็ให้นั่งให้มากๆนั่งหลับตานั่งสมาธิให้มากๆจะหลับกับการฟังเทศฟังธรรมพอจากสมาธิมาก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปเจริญสติต่อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลําดับข้อที่2อลูกมีความทุกข์และกังวลใจกับคนเห็นเขาทําสิ่งไม่ดีผิดศีลผิดศีลธรรม ลูกอยากจะบอก ด, ด้วยความห่วงใยแต่เมื่อบอกไปก็ไม่มีผลเพราะเขาไม่รับฟังลูกควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็ต้องปล่อยวางเมน้นกับไปอยากให้เขาเป็นส้มเขาเป็นกล้วยก็อยากให้เขาเป็นส้มเขาไม่เป็นก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากปล่อยให้เขาเป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มเขาไม่ดีก็อย่าไปอยากให้เขาดี อยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีแล้วก็เหมือนก็อยากให้เขาเป็นส้มเป็นก้วเขาเป็นกล้วยอยากให้เขาเป็นส้มอย่างงี้มันเป็นไม่ได้ที้ไหนเราเราโง่เองเข้าใจไหมเราบ้าเองเขาเป็นกล้วยอยู่ดีๆไปให้เขาเป็นส้มเอเขาก็เป็นไม่ได้เขาไม่ดีขยายก็ดีเขาก็เป็นไม่ได้เขาก็อยากดีแต่เขาดีไม่ได้เพราะเขาติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดเที่ยวติดผู้หญิงอย่างเงี้ แล้ว ไ, ไปอยากให้เขาเลิกอย่างนี้เขาเลิกไม่ได้หรอก mm. ก็ต้องบอกเขาท่านเองว่ า, วาอย่าทำนะสอนเขาได้ทำอย่างนี้ไม่ดีเป็นกล้วยไม่ดีเป็นส้มดีกว่าส้มราคาดีกว่ากล้วยเผื่อ mm. <laughs> เ, เขาจะเปลี่ยนก็ได้ข้อที่สามลูกเคยไปปฏิบัติที่วัดแล้วนำของใช้ในวัดติดมาด้วยด้วยความไม่ตั้งใจแล้ววัดก็อยู่ไกลไม่สามารถส่งกลับคื้นได้ เกิดความกังวลใจว่าจะบาปไหมแล้วลูกควรทําอย่างไรไม่จริงหรอกไปได้ทําไมเอาไปคืนไม่ได้วะ <c oughs> เอามาได้มันทำไม <c oughs> เวลาเอามามันก็กลายเหมือนกันอยู่ะ <c oughs> เวลาจะคืนเราไม่คืนไม่ได้เอนี่แสดงว่ายังยังหวงอยู่ยังเอาของใครเข้ามาก็เอาไปคืนเขาสิส่งไปทางไปชณีก็ได้คําถามจากคุณอาร์ต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 เช่นดึงให้มาดูอยู่กับพุโทโธคือตัวสติตัวสตินี้เป็นเหมือนตัวเชือกที่ดึงผู้รู้ที่อาจจะไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ให้มารู้เรื่องเดียวตัวที่ดึงให้ผู้รู้มารู้เรื่องเดียวนี้เรียกว่าสติถ้าไม่มีสติผู้รู้ก็จะสเปสะสป่ไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ใจนี้มันวุ่นวายใจไม่สงบ ถ้าดึงมาให้รู้อยู่เรื่องเดียวเรื่องที่ไม่มีไม่ได้ทําให้ใจวุ่นวายใจก็จะสงบหายวุ่นวายเช่นนึงมาให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธนี่พุทโธมันไม่มันไม่ทำให้เราวุ่นวายมันทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราเย็นถ้าเราไม่มีสตินึงไว้มาอยู่ที่พุทโธมันก็ไปรู้เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย พอไปรู้เรื่องราวเหล่านี้มันก็วุ่นวายขึ้นมามีก็อยากจะมีมากขึ้นไม่มีก็อยากจะมีอะไรอย่างเนี้ยมันก็เลยทําให้ใจของเรานี่ไม่สงบไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีสติแล้วเรานึงใจมาให้อยู่กับเรื่องที่ทําให้ใจสงบมันก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยา ก, กาเปล่าๆคาถามจะคุณสุภจิตานะครับบางครั้ง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 พอไม่ได้ก็จะทุกข์เั้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราอย่าไปเสพมันรับรู้ได้รู้เฉยๆอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอมันเราไม่ยึดไม่ติดพอมันหมดไปมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเรายึดเราติดเราเสพแล้มีความสุขกับมันพอมันหมดไปเราก็จะ ไม่มีความสุขหรือให้เราเสียเราก็จะทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณพิเชษขอแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมไม่ให้จิตฟุ้งซ่านก็นั่นลหละก็ต้องมีสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดึงกลับมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็สงบหายฟุ้งซ่าน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 คำถามจะคุณมาริกานะครับเดี๋ยวประกาศเสนอวันวันตากบาเทวก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันขึ้น15บห้าคเดือน11บเเป็นวันพระนะไม่ใช่วันแรมหนึ่งา่ำปกติวันตักบาเทวะเขาจะตักวันแรมหนึ่งา่ำคือวันจันทร์แต่ทางวัดยาเนี่เราตักก่อนเขาหนึ่งวันเพื่ออำนวยความสะดวกของญาติโยมที่อยากจะไปตักสองวัดอยากจะตักวัดยาแล้วก็อยากจะไปตักที่วัดที่อยู่ใกล้บ้าน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 ก็เลยตรงกับวันพระทุกปีขอให้จําไว้ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำถ้าวันตักบาตรเทวของวัดทั่วไปก็จะตักวันแรมหนึ่งค่วันหลังวันพระหนึ่งวันส่วนกรถินปีนี้ก็เป็นกรถินวัดยานี้เป็นวันหลวงก็เลยเป็นกรถินพระราชฐานคือไม่ไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าภาพได้เพียงแต่มารับผ้าจากในหลวงมาทอดแทนในหลวงเป็นผู้แทนของในหลวง เพราะวัดอาามหลวงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินที่จะเป็นผู้ถวายผ้ากรถินกนอน่นถวายไม่ได้นอกจากท่านอนุญาตให้มาทำเป็นผู้แทนถวายปีนี้บริษัทการบินไทยก็เป็นผู้แทนที่จะมารับผ้ากรถินเพื่อมาถวายให้กับวัดในวันที่29วันเสาร์ตุลาคมเวลา10นาฬิกา 10:09 นาฬิกา พระอาจารย์ครับแล้วตักบาตรเทโวเริ่มกี่โมงครับพระอาจารย์พระจะลงจากเขาประมาณ6กโมงครึ่งก็จะเริ่มพอลงมาก็ใช้เวลาประมาณหนาทีหกโมงสามสก็เริ่มตักเดินกันมาตามทางจากพระมณฑบมาถึงศาลาหอฉันซึ่งปกติก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งกว่าจะเสร็จอนญาติโยมที่มาทีหลังก็สามารถที่จะเจาะตามทางตามทางตามถนนที่พระเดินได้แล้วก็ใส่ได้ ไม่ต้องมาเวลาหกโมงครึ่งกันทุกคนบางคนมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งก็ยังทันอยู่ <c oughs> เพราะกว่าจะเสร็จก็เกือบแปดโมงคำถามต่อไปจากคุณมาริกานะครับเวลาโดนคนอื่นว่าเราไม่มีสติแล้วเราไม่พอใจณนะตอนนั้นต้องยึดอะไรเป็นที่พึ่งเช่นไปสวดมนต์หลังเลิกงานซึ่งใส่สีดำแต่โดนคนเขาว่า ทำไมไม่ใส่สีชมพูรู้สึกน้อยใจน้ำตาไหลสวดมนต์ต่อไปไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะเวลาน้อยใจเราก็รีพุโทโธเลยไม่ต้องไปสวดมนต์อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยแหละเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปในใจอย่าไปฟังเสียงที่เขาพูดอย่าเอาคำพูดที่เขาพูดมาคิดยิ่งคิดก็ยิ่งน้อยใจพอเราคิดอยู่กับพุโทโธเดียวเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมคาพูดของเขาแล้วความน้อยใจก็จะหายไป จะทําอย่างนี้ได้เราต้องฝึกพุโทโธไว้ก่อนเหมือนกับคนที่พิมพดีนี่ยังพิมพไม่เป็นพอถึงเวลาจะพิมพ์มันก็พิมพ์ไม่ได้ต้องซ้อมพิมพ์ดีไปก่อนพิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาสั่งให้พิมพ์ปั๊บก็ปุบป๊บปับ๊บเทียพิมพ์ได้เลยถ้าตอนไหนถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเสียใจน้อยใจพอถ้าเราพุโทโธได้พุโทโธปับ๊บเดี๋ยวเดๆสองนาทีสามนาทีก็หายทุกแล้วคาถามจะคุณนรัญญา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 เพราะว่าจะเป็นการไม่รู้ไม่รู้ฐานะของตนแล้วก็จะทำให้คนที่เขาจะสอนเราไม่อยากจะสอนเราต่อไปมันรู้ดีแล้วไปสอนมันทำไมคำถามจากคุณทูสวรนิพพานใกล้เพียงขนตาไกลแค่ปลายจมูกหมายถึงอะไรครับ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 ถ้าวันอาทิตย์ไปตักบาตรเขาต้องหางไม่ได้พรุ่งนี้สามารถไปรอใส่ได้ไหมครับใสได้ทุกวันเนี่ยจะใส่วันไหนก็เหมือนกันบุญการใส่บาตรนี่จะบุญใส่บาตรวันนี้ใส่พรุ่งนี้วันก่อนเทววันหลังเทโวนี่มันไม่มันไม่ได้อยู่ที่วันมันอยู่ที่เราใส่หรือไม่ใส่ตอนที่คําถามหมดครับอาจารย์คําถามแถวนี้มีไหม ไม่มีเดี๋ยวก็นั่งเดียวก็ได้เดี๋ยวรอคำถามเข้ามามีคำถามมาจากในข้อความนะครับจากคุณป้าหมีนะครับลูกจะวางใจในเหตุการณ์ในหลวงสวรรคตได้โดยทําได้อย่างไรเจ้าคะามมาใจมันท<ม>ุกข<ม>์มากมน้าตาไหลตลอดเวลาก็เนี่ยให้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา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 รูกเสียงกินรสมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เลแต่เรามันติดก็เลยอยากจะบริโภคแต่รูปเสียงกินรสที่เป็นสุขแต่เราก็ไปสั่งมันไม่ได้รูปเสียงกินรสก็เป็นอนัตตาเหมือนพผ้าทิตย์เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้ผ้าทิตย์ขึ้นแล้วไม่ตกได้นะไม่ได้นะสั่งให้เราบริโภครูปเสียงกินรสที่เป็นสุขอย่างเดียวได้นะไม่ได้บางทีบางทีรูปก็ดีบางทีรูปก็ไม่ดีเสียงบางทีก็เสียงดีบางทีเสียงไม่ดี เราอยากจะได้แต่เสียงชมเสียงไพเราะพอได้ได้ยินเสียงด่าเ ส, เสียงเสียงหยาบคายก็ทุกไปแล้วงั้นเราอย่าไปบริโภคมันให้รู้เฉยเฉยอย่าไปมีอารมณ์กับมัน ก, ก็อย่าไปรักอย่าไปยินดีกับมันถ้ายินดีแล้วมันจะติดแล้วจะให้จะอยากบริโภคแต่เสียงที่ดีรูปที่ดีแต่เราไม่สามารถ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 สิ่งที่เราต้องมาเจอกันคือดึงรลาบรลาบนี้ก็มีสองแบบเจริญลาบกับเสื่อมลาบแต่พวกเรามันอยากจะเจริญลาบอย่างเดียวเวลาเสื่อมลาบไม่ยอมแต่ธรรมชาติของลาบมันก็เหมือนดวงอาทิตย์มีขึ้นมีลงลาบก็เหมือนกันมีขึ้นมีลงอันนี้ก็หนึ่งคู่ยศก็มีขึ้นมีลงเดี๋ยวได้ยศได้ตำแหน่งเดี๋ยวก็ถูกปลดออก อันนี้ก็มีเจริญมีเสือ่อมแล้วสรรันรเสริญก็มีนัน ม, มีนินทาในโลกนี้มีแต่คำสรรัสรเสริญอย่างเดียวรู้ปะหรือมีทั้งคำสรรัรเสริญมีทั้งคำนินทาแต่เราชอบแต่สรรันรเสริญไม่ชอบนินทาพอเจอนินทาก็ทุกข์กันเราสุดท้ายก็มีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์สุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเียแล้วก็ทุกข์ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรส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 บริโภคมันเราเพียงแต่รับรู้เฉยๆพอได้เงินมาได้ลามาเราก็บอกว่าเดี๋ยวตายไปก็จบตายไปก็เอาไปไม่ได้หรือเดี๋ยวใช้ไปก็หมดนหรือถ้าเก็บไว้ไม่ดีเดี๋ยวก็ถูกขโมยไปให้คิดอย่างนี้แล้วเวลามันเสียไปเราจะได้ไม่เสียใจตําแหน่งก็เหมือนกันเวลาก็แต่งตั้งให้เป็นนั่นก็เปน็นนี่ก็บอก ต, ตั้งได้ก็ปลดได้นะเว้ยก็ตั้งเราเดี๋ยวก็ปลดเราได้ ในเวลาเราตายไปเขาก็ปดเขาก็เอาไปละมีตำแหน่งอะไรละตายไปก็เดี๋ยวก็คนอื่นก็มาแทนที่ ล, ละสรรรเสริญก็ก็มีนินทาบางวันเขาก็ชอบเราเขาก็สรรเสริญบางวันเขาไม่ชอบเราเขาก็ด่าเรานินทาเราเ้วก็สุขทุกข์ก็อย่างที่เราเราสัมผัสกันนี้เวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกออกถูกใจก็มีความสุข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 เราไม่มาหาความสุขที่เราไม่ต้องใช้ราบยศสรรเส ร, ริญก็คือความสุขทางทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบนอันนี้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราไม่ต้องพึ่งราบยศสร ร, ส ร, รเสริญราบยศสรรเสริญจะเจริงรื้อเสื่อมจะไม่ทําให้เราเดือดร้อนงั้นเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากราลบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส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 น้ำดีน้ำเสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือกน้ำอะไรต่างๆนี่คือส่วนประกอบของร่างกายให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามพอเห็นเขาส่วนที่สวยงามแล้วจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วจะทำให้อยู่เป็นพระไม่ได้ที่พระเขาบวชกันรัตเซิกันก็เพราะเขาเห็นหนังที่ไรก็มีแต่หนังแต่งเต่ง<笑><笑><笑>เห็นผมก็มผมยาวสละสละสวย เห็นหน้าเห็นตาก็โอ้โหเห็นแล้วเหมือนเห็นนางฟ้าเห็นเทวดากันก็เลยทําให้เกิดกามอารมณ์อยากจะเอาเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ความสุขก็เลยต้องลาศิกขาลาเพศไปแต่ถ้าดูว่าหนังมันเดี๋ยวมันก็ต้องเหี่ยวผมมันเดี๋ยวก็ต้องหงอกเดี๋ยวมันก็ต้องร่วงอะไรอย่างนี้ลืือมองเข้าไปข้างในข้างข้างใต้ผิวหนังเห็น ลำไส้แค่นี้มันก็หายอยากแล้วนี่มันมองไม่เห็นกันมีด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันมีหนังมันปกปิดเอาไว้ถ้าหนังเรานี่มันใสเหมือนทุงพลาสติกนี่เป็นยังไงดีไหมคนเรานี่เห็นเห็นผ่านทะลุเข้าไปเลยเนี่ยเห็นเห็นโครงกระดูกหน้าตาเห็นกระโหลกศีรษะเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้มันจะไปหลงรักได้ยงไงนี่พรเจ้าสอนให้พิจารณาห้าอาการก่อนเป็นจุดเริ่มต้น แต่ความจริงแล้วต้องพิจารณาสาอาการที่เรียกว่าการ32มกรรมฐาน32แต่เวลาบวชนี้มันไม่มีเวลามากก็เลยเอาแค่5ก่อนไปเริ่มต้นที่กรรมฐาน5ก่อนแล้วให้ต่อไปถึงอาการ32เพื่อจะได้ทำลายความหลงที่จะเห็นว่าร่างกายสวยงาม น, น่ารักน่าค่ายน่ายินดีแล้วจะได้ไม่มีการอารมณ์เมื่อไม่มีการอารมณ์ อยู่เป็นพระสบายจะตายไหมงานก็ไม่ต้องทำเงินก็ไม่ต้องหาบ้านก็ฟรีน้ำก็ฟรีข้าวก็ฟรีไฟก็ฟรีรักษาพยาบาลก็ฟรีฟรีทุกอย่างเลื่องอะไรไปเป็นอย่างอื่นที่เป็นพระกันไม่ได้เพราะการอารมณ์นี่พอเกิดการอารมณ์แล้วมันอยู่ไม่ได้นั่นก็เลยต้องศึกไปสึกไปก็ต้องไปดินน้นรนไปทำงานหาเงิน หาเงินเราก็ต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าที่อยู่ค่าอะไรต่างๆจิปาท ะ, ะไปหมดเนี่ยเนี่ยถ้าดับการอารมณ์ได้ตัวเดียวบวชได้สบายเลยอยู่ใชอยู่วัด น, นี้สบายจะตายไยถึงเวลาก็มีกินถึงเวลาก็มีที่นอนมีอะไรทุกอย่างสบา ย, ยแต่อยู่กันไม่ได้เพราะการอารมณ์นี่คําถามจากคุณนัฐการนะครับ ผมต้องการบวชตลอดชีวิตที่วัดป่านาคำน้อยแต่แม่กลัวไม่มีใครดูแลครับถ้าไปแล้วกลัวตัวเองไม่สบายใจผมต้องทำอย่างไรดีแม่ว่าแม่ก็ดูแลตัวเองแม่ยังดีกว่าอัตตาเหี่อัตนโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนเพราะถ้ามาพึ่งลูกเดี๋ยวเกิดลูกตายไปจะทำยังไงมันก็พึ่งไม่ได้อยู่ดี ทุกคนคนจะยืดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนถ้ายึดพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไปดีกว่าอยู่ไปทําไมถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายถ้าตามดจ ย, ยังมีลมหายใจอยู่พึ่งตัวเองได้คําถามจากคุณดิวลี่ขอพระอาจารย์บอกวิธีลดอัตตาตัวตนใหม่ครับสําหรับผู้ที่ยังหวงแหนร่างกายแล้วปล่อยวางไม่ได้ ก็ทำตัวให้เป็นเหมือนภ้าคีริวทำตัวเหมือนเป็นแจวเป็นเหมือนคนรับใช้อย่าไปทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตไบอยู่ที่ไหนไปร่วมกับใครคอยเราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้เขาครับผมครับผมเจ้าค่าเจ้าค่าอย่าไปถือว่าเราเป็นเจ้านายเขาถึงแม้ตำแหน่งเราจะเป็นเจ้านายเขาแต่เราต้องคิดว่าเราเป็นลูกคนรับใช้เขาและเวลาเขาทาอะไรว่าอะไรเราเราจะได้ไม่เสียใจ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 ใครจะดูถูกเหยียดหยามเราอย่างไงมันก็เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ถือว่าเราดีเราอะไรเราถือว่าเราเป็นเหมือนแผ่นดินเป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วสกรปรกหน้ารังเกียจคำถามจากคุณเจเกี่ยวกับอาการเหมือนคําบริกรรมมันจะขาดเลยพยายามจะบริกรรมต่อเพื่อไม่ให้ขาดเหมือนมันจะขาดจากความบริกรรมให้ได้ เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องครับถ้าบริการไม่ได้ก็ลองมีสติรู้เฉยๆดูก็ได้รู้ว่าใจคิดอะไรหรือเปล่าให้ดูใจดูซะว่ามันสักแต่ว่ารู้หรือเปล่าถ้ามันสักแต่ว่ารู้มันรู้เฉยๆมันไม่คิดอะไรก็ก็ปล่อยมันอย่างนั้นไปให้มันอยู่เฉยๆไปก็ได้แต่ถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดคาถามจากคุณกันทพน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 ให้อยู่กับพุโทโธไปเวลามีภาพมาปรากฏก็อย่าไปสนใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วก็ปะเราก็จะนิ่งจะสงบถ้าเราไม่พุโทโธเราไปดูภาพเดี๋ยวเราก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาก็ได้อาการรักชังขึ้นมาก็ได้งนั้นเราต้องการที่จะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงเราก็ต้องอย่าไปนั่งเฉยๆโดยไม่มีอะไรควบคุมใจเหมือนเรือถ้าเรือไม่มีหางเสือ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 คำถามจากคุณสิณีประเภทไทยประเทศไทยเททยพิ่งสูญเสียกษัตริย์ผู้ทรงทศพิษราชธรรมไปซึ่งเป็นที่รักของประสบนิกรถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้องไห้ฟูมไฟแต่พอฟังธรรมพระอาจารย์ต่อเนื่องได้มาสักระยะหนึ่งเหมือนมีภูมิคุ้มกันพอทราบข่าวจิตตระหนักรู้ว่าเป็นธรรมดามีการเกิดก็ต้องมีการตายไม่ได้ร้องไห้เสียใจ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 ถคิดแล้วมันก็จะไม่ลืมไม่หลงแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะปล่อยวางพอ ป, ปล่อยวางเวลาเขาจากเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดคําถามจากคุณเป็นของมีคมผมนั่งสมาธิจิตไม่นิ่งสักทีกําหนดลมหายใจแล้วมันก็ยังสงบแจ็คก็ยังไม่สงบ ช่วยแนะนําหน่อยครับสติเรามีกําลังน้อยเราต้องฝึกสติก่อนมานั่งจะมาเอาสติตอนที่นั่งอย่างเดียวไม่พอต้องฝึกมาตั้งแต่ตื่นเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดไปตามความอยากต่างๆถ้าคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุดโทโธได้ถ้าไม่คิดเรื่องจําเป็นก็ให้พุโทโธพุโทโธไปควบคุมความคิดไว้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 จะมีปัญญาได้ก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแล้วก็ามาพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็จะเห็นพอเห็นความตายปั๊มันก็จะอ๋อนี่แหละทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นอย่างนี้เอง ม, มันการจะบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ที่เพศหญิงชายหรือกะหรือไม่หญิงไม่ชายนี้บรรลุได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเรามีปัญญาหรือไม่ปัญญาก็เกิดจากการฟังจากพระพุทธเจ้า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 พอเราทําทานปั๊บเราก็ได้บุญละได้ความสุขใจที่เกิดจากเราการทําทานนะยันถ้าอยากจะอุทิศบุญขออุทิศด้วยการทําทานดีกว่าส่วนเรื่องอุทิศด้วยการรักษาศีลกับภาวนานี้ตัวเราเองยังไม่มีหรอกัวเราเองยังอุทิศเรายังไม่มีเราจะไปอุทิศให้เขาได้อย่างไรหมดแล้วใช่ไหมอ๋ออีกข้อ น, นึงข้อ น, น, อ น, นถามหมครับออ ไม่วันเป็นยังไงปาริมัมกเป็นยังไงคือ <c ười> เรียกว่าดูสภายว่ค่ะเพราะว่านั่งแบบสมถธิแล้วแบบเหมือนสมองมันตึงๆเครียดๆนะค ะ, ะ <c ười> ก็เลยลองมาเปลี่ยนแบบเขานั่งแบบที่ถ้าวันนั่งหลายครั้งเดินโยกๆด้วยสมองมันตึนมากแล้วมันแบบเครียดนะคะก็เ <c ười> ลเปลี่ยนแนวทางว่าเราลองนั่งปาริมักดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเป็น ย, <c ười> ยังไงก็เลยนั่งแล้วมันต้ ได้เร็วมากแต่ว่ามันเป็นการสงบที่ว่าสั้นนะค ะ, อะพอพอเราดูสภาวะดูดูกะดูใจดูสภาวะของที่มันมเกิดขึ้นในร่างกายร้อนแอบแข็งอะไรเนี้ยค่ ะ, ะแล้วก็มันก็สงบสงบแวบเดียวแล้วเราก็มันดูสภาวะต่อยแล้วก็สงบแวบ ก, ก็มาดูสภาวะวนเปลี่ยนนี้เรื่อยๆอย่างนี้นค่ ะ, ะคือมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเป็นแนวทางปฏิบัติยังไงคะที่ที่ว่ามันจะได้แบบ พัฒนากว่านี้กต้องกว่านี้อะค่ะแนวทางนี้เราก็ไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้อยู่แต่พุทโธพุทโธแล้วดูร่างกายดูควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดอันนี้ก็ต้องต้องกลับไปแบบสมถะบพทโธกัพทโธเหมือนเดิมใช่ไหคะอ่าสวดมนต์ไปพุทโธไปทสมองมันตึงแล้วมั น, มนกนนน็กิเลสมันกิเลสมันต่อต้านไงมันเหมือน เวลาเวลาดูหนังเวลาดูหนังมันไม่เป็นใช่เวลาดูหนังดูละครไม่เป็นใช่ไหมนั่นะเพราะกิเลสมันไม่ไม่ต่อต้านไงพอให้ดูให้หยุดความคิดกิเลสมันจะต่อต้านคือเราต้องมีสติตลอดเวลาเือที่ว่าตึงขมับจะต้องคลายไปเลยนคะือสมองมันไม่ตึงไม่ต้องไปคลายมันมันจะเป็นก็ช่างหัวมันให้อยู่กับพูดทวไปเดี๋ยกิเลสมันหมดแรงมันก็หายเองนี้ก็กลับ่งสมถะเหมือนเดิมใช่ไอ่าเราฝึกสติก่อน ไอ้มีพุโทโธไปทั้งวันดูขอบพระคุณค่ะหมดแล้วนะมมีอีก อ, อ่กสักข้อก็ได้ครับอาจารย์อ่าสุดท้ายาจากคุณกันตะพลนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วมันเห็นแต่ความมืดแต่บริกรรมพุโทโธตลอดแต่พอเริ่มกำหนดจุดเล็กในความมืดแล้วใช้กำหนดเข้าไปภายในจุดนั้นไปเรื่อยๆ ยิ่งเล็กลงยิ่งทะลุตลอดไปเรื่อยๆสักพักเกิดหูดับแต่ยังมีสติรู้ตัวอยู่กราบขอคําแนะนําครับ ป, รปฏิบัติผิดแล้วก็ควรจะอยู่กับพุทโธไปไม่ควรที่ไปดูจุดไปอะไรครับพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรวมเข้าสู่ความสงบวันแล้วนะครับก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจน า, าไปปฏิบัติ